บางครั้งไอ้การได้ได้คุยหรือได้ถามปัญหามันจะทำให้การแนะนำมันจะทำให้การแนะนำได้ดีขึ้นนะบางทีเราได้ถามปัญหาได้รู้สึกถึงความสงสัยบางสิ่งบางอย่าง ไม่เข้าใจมันจะได้ทําให้ผู้นําเสนเอเนี่ยได้รู้จักว่าอ๋อมันมีข้อบกพร่องตรงนี้นะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทําให้พวกเราได้เข้าใจได้หรอกนะนทางตรงกันข้ามอาจจะทําให้เราพวกเราฟุ้งซ่านวกเ่าก็ได้พรพวกเราไปคิดมากแกี่ยวกังซื่อๆควางไม่เป็น คิดมาคิดมาก็อะไมไหมอยากรู้ทั้งที่มันรู้อยู่แล้วเลยไปอยากซ้ําก็ไปอีกนั่นแหละเหตุเกิดตัญหาล่ะที่เราสวดไปเมื่อกี้สังเกตอยู่ดีๆสจริงๆเหตุเกิดเป็นที่เราสวดไปทั้งเหตุทั้งเหตุเกิดทุกข์ทั้งดับทุกข์เนี่ยจริงๆก็ดับตัวไหน ขดับตัวตัวอย่าง ก, ก็นั่นเองแต่สิ่งเหล่านั้นจะเหลืออยู่เหมือนเดิมไม่ใช่หายไปไปดับตัวอย่าง ก, ก็นั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกินรสสัมผัสมันจะมีสรารพัดมีทั้งวิญญาณมีทั้งตึกมีทั้งตรองมีทั้งเวทนาอะไรก็ตามก็ก็มีอยู่แต่ตัวที่เป็นสาเหตุของมันี่คือตัวอยา่างตัวอยา่าง รู้จักตัวอยากไหมตัวอยากรู้จักไหมอยากกินข้าวอยากไปเที่ยวอยากออกจักวัดอยากปฏิบัติไม่อยากปฏิบัติอยากกลับบ้านวันก่อนนี้ไปแล้วสามรูปตัวอยากพาไปตัวอยากพาไปนะ เพราะว่ามันทนกระแสของความอยากไม่ได้รู้จักอาการอยากง่ายง่ายทางภาษาเราที่เราจะเข้าใจง่ายๆ่ายไนงะทางภาษาบาลีบอกอยากอยากอยากได้แล้วก็อยากทิ้งสามอยากนี่นะหนึ่งอยากก่อนอยากเฉยๆฉหลันที่สองคือ พยายามตามตามความอยากนั้นให้ได้มาเมื่อได้มาแล้วก็มีความอยากอีกอย่างหนึ่งคือเบื่อมันเสิงมันขี้เกียจมันอยากทิ้งมันพวกเราจะเห็นได้ชัดนะใชอไหมคนไหนที่ีสามีนี่จะเห็นชัดเลยละ <laughs> เห็นชัดเลยละเดี๋ยวก็วันนีก็ดีก็อยา ก, อ, กอยู่นั่นแหละ หรือแม่ไปซื้อสิ่งของซื้ออะไรก็ตามมันก็จะเห็นที่แรกก็ไปเห็นปุ๊กไปเกิดความอยากขึ้นมานะอยากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มันก็คือกระบวนการในการทําให้มันได้สมอยากไงซื้อมันมาให้เป็นเจ้าของใช่ไหมมันเจ้าของเสร็จแล้วเอ้ากลับมาถึงบ้านซื้อมาทําไมวะเนี่ยจ <c oughs> ิกะรกนะ่ะอยากทิ้งอีกแล้วแต่ถ้าเราอาการลงง่ายๆที่เราจะดูความอยาก เขาเรียกว่าทมภาษาเราที่จะเข้าใจง่ายๆคืออยากเพิ่มก็อยากลบนะเห็นอะไรก็อยากจะเพิ่มอยากจะเพิ่มมันขึ้นมาพอเบื่อก็อยากลบมันทิ้งประมาณว่าอยากเพิ่มอยากลบอยากเพิ่มอยากลบอยู่นั่นนหะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาทัางๆหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกินรสสัมผัสแต่ก็อรมก็อยากเพิ่มใช่ไหม เวลาได้อารมณ์ดีๆร่วกลุ่มพอสบายก็อยากเพิ่มเพิ่มระยะเวลาก็มันไงมันดีนะมันสบายนะอยากได้มากๆเนี่ยอยากเพิ่มนะแต่วันไหนมันฟุ้งซ่านมันปวดมันเมื่อยมันฟุ้งมันซ่านมันสับสนไปหมดเลยนี่ไงก็อยากเองครับอยากลบมันทิ้งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ละวันนะแต่ละขณะไม่ต้องเอาแต่ละวันนะแต่ละขณะเลยละเอ่ มันเอาแต่ละขนาอเลยแหละไม่ต้องแต่ละวันนะเั้นตัวนี้ตัวนี้คือตัวตัณหาตัวสาเหตุแล้วเราทํายังไงถึงจะลดตัวนี้ได้เราก็ต้องรู้จักมันก่อนวนะ่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะใจอ่ะมันยังกำลังสแสวงหาว่าน่าจะมีอะไรดีฝ่ที่เราเป็นอยู่เห็นไหม ใจของเราเองเ่กำลังสแสวงหาอยู่ทุกวันนี้ที่เราสแสวงหามาตั้งแต่เด็กมันน่าจะมีอะไรดีฝ่อที่เราเป็นอยู่นี้นั่นแหละภาวะตรงนี้แหละคือตัวความอยากมันก็จะปลูกฝังไว้ในใจแล้วก็เกิดการดินน้นรนนะเพื่อต้องการบางสิ่งบางอย่างที่ดีฝ่าที่เราเป็นอยู่เดียเ๋ยวนี้ที่เราเป็นอยู่ในทุกวันเนี่ยก็เรียกว่า สแสวงหาอยากสแสวงหาความสุขไงความสุขอะไรก็ตามที่จะทำให้มันดีกว่าที่เราเป็นอยู่เพราะเราเป็นอยู่นี่มันมันรู้สึกมันมันธรรมดาธรรมดามันไม่ตื่นเต้นเลยมันไม่ตื่นเต้นสนุกสนานเลยมันธรมรมดาธรรมดานี่มันน่าจะมีอะไรที่มันตื่นเต้นสนุกสนานกระตุ้นความรู้สึกให้เกิดความสุขมากกว่านี้ มันยังเกิดการแสวงหากันขึ้นมาไงเพราะว่ามันยังเห็นว่าและอีกประเด็นหนึ่งคือที่มันมันอยากว่ามันรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันของบนโลกเนี้ยมันมีความแตกต่างกันสังเกตดูมันมีความแตกต่างกันที่ว่าของบนโลกนี้มันจะมีสองกลุ่มที่มีความแตกต่างกันกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เรา กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เราชอบใจสวยงามสวยงามถูกใจนะกลุ่มไฟล์ที่มันรู้สึก ว, ว่วัตตาเราเห็นรูปเนี่ยเราก็จะเห็นรูปที่มันสวยใช่ไหมรูปที่มันสวยสวยรูปที่มันงามงามดอกไม้ทิวทัศน์ภูเขาแม่น้ำทะเลหน้าตาผู้คนนะอะไรต่างๆที่มันรู้สึกว่ามันสวยมันสวยงามกว่า ทางตรงกันข้ามมันก็จะเห็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่ า, าเป็นของโสโปรกสะอิดสะเอียนไปเห็นกองขยะไปเห็นหมาตายไปเห็นของที่มันโสโปรกโสโครกอะไรพวกนั้นเราก็จะรู้สึกว่าภาวะพวกนี้เป็นภาวะที่เราต้องหลบต้องหลีกต้องหนีแล้วภาวะพวกนั้นเป็นเพราะเราจะ่ต้องสร้างต้องเสริมต้องส่งเสริมต้องสร้างต้องพัฒนาต้องให้มีขึ้น พอมองโลกในแง่ใ น, ในแง่มุมที่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นตามความจริงมันมองในแง่มุมที่ชอบใจและไม่ชอบใจนี่ไงตัวหนึ่งนะแต่ภาวะของโลกมันจะเป็นอย่างเนี้มีเสียงเพราะก็ต้องมีเสียงไม่เพราะมีกลิ่นหอมก็ต้องมีกลิ่นเหม็นมีดอกไม้สวยก็ต้องมีดอกไม้ไม่สวยอย่างเงี้ยนะมีรสอร่อยก็มีรสไม่อร่อยมีภาษะที่ดีก็มีภาษาที่ไม่ดีแผนสาที่สบาย ทางร่างกายก็จะมีภาษาที่ไม่สบายทางร่างกายในิใจกันก็จะมีอารมณ์ที่ดีและก็อารมณ์ที่ไม่ดีที่นเรามองไม่เห็นไงมันก็เลยสร้างมันก็เลยสร้างสาเหตุความอยากขึ้นมามองไม่เห็นความแตกต่างมองไม่เห็นความเหมือนกันของมันน่ยมันจึงเกิดความแตกต่างขึ้นม า, น, านี่อีกสาเหตุหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งก็คือมีความพอใจไม่พอใจพอใจกัสบสภาวะบางอย่าง ที่มันมีสิ่งที่มันดีๆสิ่งที่มันหลอกลอ ก, ก็พอใจเพราะว่าอีกบางอย่างที่สิ่งที่มันไม่ดีไม่พอใจไม่ชอบใจมันก็เข้าไปจัดการก็เลยคือความอยากเนี่ยสองสามสาเหตุนี่เราก็ตายหักเราไม่ไปไหนแล้ว <c oughs> ไ, ไปไหนแล้วนะ <c oughs> แค่สาเหตุแรกเราพยายามที่เร า, าปฏิบัติธรรมที่เราพยายามนะ <c oughs> พยายามจ ะ, สะแสวงหาสิ่งที่มันดีกว่าเก่า ดี f o เก่าสถาที่ของเก่ามันดีอยู่แล้วเลยไม่เจอไงเลยไม่เจอนี่ก็อนเนกนั่นแหละทีนี้วิธีวิธีเมื่อเรารู้ว่าอ๋อไอ้ตัวสาสี่ตัวนี่ไปกระตุ้นเดือใส่รูปเสียงกินรสสัมผัสแล้วก็อารมณ์นี่เองที่มีสองกลุ่มกลุ่มที่เราที่ว่าไปแล้วกลุ่มที่เราชอบใจกับกลุ่มที่เราไม่ชอบใจนะ แต่ของรูปเสียงกิริสัมผัสเนี่ยแล้วก็อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาข้ามันธรรมดาเนี่ยอย่างอย่างร่างกายที่มันเกิดขึ้นมาแบบสบายเนี่ยไม่ปวดไม่เมื่อยไม่หนาวไม่ร้อนอะไรต mm ่างๆมันก <the> <allá> ็เกิดขึ้นมาธรรมดาเข้ามันนั่นแหละใช่ไหมอ่าประเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเป็นปวดเป็นเมื่อยเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นเจ็บมันก็เปลี่ยนเป็นธรรมดาข้ามันแหละมันไม่ได้เกี่ยวกับชอบใจไม่ชอบใจนะ เราไปเราไปใส่เองมันปกติมันก็จะขึ้นมาเองเนะี่ยอย่างหูจะยินเสียงเนี่ยก็จะมีทั้งเสียงเพราะเสียงไม่เพราะใช่ไหมหูก็ทําหน้าที่ได้ยินเองมันเนี่ยแต่มันไม่ได้บอกว่าต้องไปชอบใจหรือไม่ชอบใจกับมันอย่างกลิ่นเหมือนกันก็จะไม่กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นก็มันอยู่ๆนั่นแนหะมันก็ไม่ได้บอกอะกลิ่นหอมคุณชอบใจนะกลิ่นเหม็นคุณอย่าไปชอบใจนะบอกไหมเดี๋ยวไปบอกเองไม่เคยบอกเราปรุงแต่งเอาเองอะทุกอย่างอะ เก okay, ดูดีๆสิแต่อาตนะก็ทําหน้าที่เครื่องเหมือนเดิมแล้วโลกเขาก็ทําหน้าที่เืงเหมือนเดิมเขามีสภาวะของเขาอย่างนี้แหละสภาวะเจริญกับสภาวะเสื่อมเขามีสองอันเนะี่ยคุ้มครองกันอยู่เรียก็เป็นสภาวะของอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาก็เปลี่ยนตัวเขาไปเรื่อยๆเขาไม่ได้สนใจนะาคุณจะชอบหรือคุณจะไม่ชอบหรือคุณจะอยากหรือไม่อยากเขาเป็นเขาอย่างเนี้ไอเราก็ เวลาเขาเป็นขึ้นมาเราก็หัวปั่นเขาก็ปั่นหัวเราแล้วก็ปั่นปั่นบายอะไรที่ดีๆก็เอาพอใจก็อยากส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดขึ้นเยอะๆะอ ะ, อะไรที่เกลียดที่ชังก็อยากลบอยากล้างอยากทําลายอยากให้หายไปอยากไม่อยากให้เกิดอีกมันเป็นไปได้ไหมล่ะด้วนสภาวะเรานี่เขาเขาก็ไม่ได้เคยใส่ใจเขาไม่ได้เ ค, เคยแคคุณนะคุณไม่แคร์เขาเอง ถือแล้ว ก, ก็เกิดอีกเช้นเวาลามันเจ็บมันปวดมันเมื่อยดีหมดแล้วเป็นอย่างนั้นเลยยังไม่อยากเจ็บอยากปวดอยากไม่อยากไหมคือจะบอกวิธีให้ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวดไม่ต้องหนาวไม่ต้องร้อนเลยแหละร่างกายเนี่ยเอาไหมจะบอกวิธีให้เอาไหมคนเป็นอัมาพาตแต่ไม่เป็นอะไรเลย คนเป็นอนะวมภัสมันนี้หนาวได้ร้อนจะเจ็บได้ปวดได้เมื่อเลยนะเอาไหมนั่งอยู่รถเชนนอนอยู่บนเตียงอะ่ะเอาไหมนั่นแหละนั่นแหละสภาพของคนอย่างกันแหละร่างกายไม่รับรู้เลยอะภาษาทางร่างกายมันมีอยู่แต่ร่างกายไม่รับรู้ประสาทการรับรู้มันดับไปนั่นแหละอยากเป็นหมอ้าวงั้นต้องขอบคุณมันเวลามันเป็นนะโชคดีที่ฉันยังมีสิ่งนี้ให้ฉันได้รู้อยู่ฉันไม่เป็นอวมภาส เห็นอาจารย์กำพลเน่ยนั่นรู้เรื่องไม่ขาแข น, น, นก็ติดกระเดี่ยวไม่ได้เลยใช่ไหมยกบางคนที่เป็นนอนเป็นอปัอปพฤกษ์อปัปภาษณ์นอนป๊านอนนอนจนกระทั่งหลังเป็นพองพองคือนอนแล้วมันกระทบกับพื้นลําเกิดความร้อนจนหลังพองจะไม่รู้เรื่องอย่างนั้นน่ะดีนะไม่เจ็บด้วยไม่ปวดด้วยไม่เมื่อยด้วยไม่หนาวด้วยไม่ร้อนด้วยใครก็เอาเข็มไปทิ่มก็ไม่รู้สึกด้วยเอาไหม เอาเปล่ า, า, า, าไม่เอาคนดีแล้วที่มันเกินอยู่เนี่ยต้องขอบใจมันทีนี้เวลาวิธีการที่จะละความอยากเนี่ยละความอยากมันมันมันต้องรู้ความจริงเนี่ยวิธีการละความอยากเนี่ยฝึกหันรู้ความจริง ฝึกหัดรู้ความจริงของทุกสิ่งอย่าไปปรุงแต่งมันฝึกหัดรู้ความจริงความจริงของทุกสิ่งคืออะไรและความจริงนี้จะเป็นความจริงเหมือนกันเลยไม่มีไม่มีกลุ่มฝ่ายใดทั้งสิ้นมันจะเหมือนกันหมดเลยของโลกนี้ความจริงก็มันคือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับที่หัดให้ดูอยู่นี้ที่ให้บอกอยู่นี้ที่ฟ้าฝึกอยู่นี้ หัดให้มันดูความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับดูไปเรื่อยๆฝึกรู้ไปเรื่อยๆรู้ความจริงตามที่มันเป็นน่ะมันเป็ น, ม, นมันเป็นอยู่แล้วเรื่อเราเพาิ่งมารู้เป็นมันเป็นอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราหลงไงพอจะไปรู้ความเราหลงไปก่อนไงเราหลงไปแล้วสิ่งตา่างๆก็จะดับไปเราหัดรูความจริงเรื่อยๆไอ้ความทยานอยากที่จะทำอะไรมันดีฝันนี้ คิดว่าอะไรจะดีกว่า น, นี้เนี่ยมันจะลดลงแล้วทํายังไงยังไงมันก็เป็นดีขึ้นหรอกทำยังไงยังไงมันก็ไม่มีเศษขึ้นหรอกทายังไงยังไงมันก็ร่างกายทยํายังไงยังไงมันก็สบายบางไม่สาบายบางอยู่นั่นแหละเมื่อเราเห็นความจริงเนี่ยที่ให้หัดฝึกเห็นการเกิดข้างึ้นมาการหายกันไปที่พระเจ้าตบอกว่าผู้ใดก็ตามถ้ามีดวงตาเห็นธรรมจะเห็นยังไงสิ่งใด อย่างัญญาโกณทัญญาเห็นเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมดล้วนแต่ไปเป็นธรรมดาเห็นเห็นธรรมก็เห็นอย่างเนี้การเห็นอย่างนี้จะทําให้เกิดอะไรขึ้นมามันจะเกิดภาวะก้องกันว่ามองทุกอย่างเหมือนกันมองในเรื่องที่มันแตกต่างมองในมุมที่มันแตกต่างนะมันมีมุมเหมือนกันอยู่อย่างมืดมันแตกต่างจากสว่างใช่ไหม เราก็จะเห็นว่ามืดเนี่ยมันมองอะไรไม่เห็นเลยใช่ไหมสว่างเนี่ยมันก็มองอะไรเห็นหมดใช่ป่ะเราก็จะมองได้แต่นีนมุมเหมือนกันของมืดสว่างเป็นยังไงนี่คือมุมต่างกันนะมืดมองไม่เห็นสว่างมองเห็นนี่คือมุมแตกต่างใช่ไหมแล้วมุมเหมือนกันแหละมืดเกิดขึ้นลํามันดับไปไหมสว่างเกิดขึ้นลําดับไปไหมนี่แหละคือมุมเหมือนกันแหละถ้าเรามองอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเราสบายแล้ว ความสบายใจมันเกิดขึ้นมาใช่ไหมกับความวุ่นวายใจต่างกันไหมต่างกันใช่ไหมความสบายอกสบายใจกับความโกรธเกีียวเคี้ยวควันอยากจะฆ่าอยากจะแกล้งเขาเนี่ยต่างกันใช่ไหมมุมต่างกันมันมีใช่ไหมแต่มุมเหมือนกันมี้ไหมความสบายใจความสบายใจเกิดขึ้นแล้วก็หายความโกรธเกีียวเคี้ยวควันอยากจะฆ่าเขาเกิดขึ้นแล้วมันหายไหมเนี่ยเราไม่ค่อยชอบมองตรงเนี้ย พอสบายใจเกิดขึ้นว่าก็หลงไปเอาอีกเวลามันไม่สบายใจก็หลงไปอยากให้มันหายไปอีกเนี่ยความคิดฟุ้งซ่านคิดเยอะแยะมากมายเลยนะกับความสง บ, บไม่มีความคิดเลยความสง บ, บไม่มีความคิดเลยเหมือนกันไหมต่างกันไหมในมุมต่างกันมีอยู่นะความสง บ, บไม่เคยมีความคิดความนึกเลยสบบลงบโล่งโรงสบายอีกมุมหนึ่งฟุ้งซ่านกระเจอกระเจิง อ, อธิฐาอนาคตมั่วไปหมดเลย ใช่ไหมอันนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแต่มุมเหมือนกันมีไหมอ้าวความสงบเหล่านั้นมันมาเจอมาเจอเราแล้วมันก็หายไปไหมหายความฟุงซานเยอะแยะมากมายสองสามวันเนี่ฟุ้งซ่านหนักไงเลยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันหายไหมหายใช่ไหมแล้วทําไมไม่มองมุมเหมือนกันล่ะก็าโวยวายทำไมจะคิดเยอะจังไปอะไรเนี่ย เนี่ยถ้าเรามองมุมอย่างนี้บ่อยๆนะตัณหามันจะไม่ค่อยได้โอกาสหรอกอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามองไปมุมเหมือนกันหมดปุ๊บผลสุดท้ายเนยมันจะไปเจออารมณ์อะไรก็ตามผมไม่เอาสักอารมณ์เพามันรู้เอาอันไหนก็ผิดหวังอันนั้นนหะไม่ใช่สมหวังนะมันผิดหวังนะเอาอันไหนก็ผิดหวังอันนั้นแหละเกลียดอันไหนก็ตามมันก็ก็หนีไม่ได้ดีอ่ะยังยังไม่หมดไปจากภาวะ่ะ เพมันเนะนี่ยยันภาวะของโลกเป็นอย่างนี้ภาวะของโลกมันจะมีสองกลุ่มภาวะของโลกที่สร้างสรรค์ขึ้นมาทําให้โลกสดสวยแล้วก็ภาวะอีกหนึ่งของโลกที่มันทําให้ทําลายโลกให้ให้รู้สึกเสียดสะเอียนรู้สึกไม่น่าอยู่นี่คือภาวะของมันทั้งของโลกแล้วภาวะของมันทั้งหมดคือภาวะทุกอย่างแล้วคนปัจจุบันเนี่ยส่งเสริมภาวะไหนมาก ระหว่างส่งเสริมภาวะให้ลวกสดสวยก็ส่งเสงริมภาวะทำลายหลูกเออแล้วดูเถอะแล้วทั้งหมดนี่มันจะไปไหนมันเหมือนมุมแรลงอ่ะกว้างไปแล้วมันก็ย้อนมาใส่ตัวกว้างไปกว้างไปกว้างไปมันวิ่งอ๋อมาแล้วก็ย้อนมาใส่ตัวเองอีกชั้นใดนก็เหมือนกันนั่นแหละเมื่อพยายามส่งเสริมที่จะคือ การส่งเสริมที่ผิดเขาเมัอนนะส่งเสริมปรุงแต่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรที่มันวิจิตวิสดาอะไรมากมาย ผ, ผลิตเทคโนโลยีอุปกรณ์อะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมา ย, ยที่จริงมันส่งเสริมให้เจริญนะแต่ที่ไหนได้ในมุมทําลายมาันล่ะไปดึงเอาทรัพยากรที่มันมีโดยสมดยความที่มันเป็นธรรมชาติมันมีแค่ครับมันมีเสมอภาพกันอยู่แล้วไปเอาอันนี้ออกมาใช้มากอีกอันหนึ่ง มันก็เสียศูนย์พอเสียศูนย์ปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเสียศูนย์ก็เลยศูนย์เสียเพราะมันเสียศูนย์อะความเป็นกลางของมันไม่มีอา้าวถ้าคุณทํำลายมากตัวทําลายต่างๆก็จะเกิดขึ้นแล้วเราก็พูดว่าทําให้โลกมันจเจริญให้โลกมันจเจริญเดี๋ยวนี้เราต้องสังเกต ด, ดูฉะนั้นสองกลุ่มของมันเนี่ย มันจะเป็นก็อยู่เนี่ยนะเช่ น, นที่เราฝึกเนี่ยเราต้องฝึกมองกลุ่มของความจริงแล้วใจเราจะหยุดการดิ้นรนทั้งหมดเลยอยู่ได้ทุกรูปอยู่ได้ทุกอารมณ์เมื่อเข้าใจมาแล้วเนี่ยฟุ้งซ่านอย่างนี้ก็อยู่ได้สงบสบายฉันก็อยู่ได้อยู่ได้โดยไม่มีความอยากไม่มีความอยากที่จะจะไปทําอะไรมันอีกอ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แล้วเป็นยั ง, ง ไ, ไงมันก็ดับไปอีกนะ แค่นั้นแหละไม่มีอะไรว่าที่บอกว่าให้รู้การเกิดการหายการเกิดการหายเนี่ยเพื่อไปเพื่อไปให้มันไปชําระล้างตัวนี้ก่อนไปชําระล้างตัวอยากนี่ก่อนเมื่อชําระล้างตัวอยากได้แล้วพวกเนี่ยมันจะฝึกตัวรู้ซื่อเป็นตัวรู้ซื่อเนี่ยจะเกิดจากการจากการเห็นภาวะเนี้ยซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนกระทั่งมันเฉยต่อไปเนี่ยมันจะรู้ซื่อแบบ แบบธรรมชาติไม่ใช่บังคับให้มันซื่อบางทีหลวงป่ะเทีนบอกให้ฝึกรู้ซื่อไอเรายังไม่ซื่อก็จะพยายามบังคับให้มันซื่อไปบังคับมันก็จะไม่ซื่อหรอกเพราะมันยังไม่เข้าใจมันได้แต่กดข่มตัวเองเอาไว้ทำท่าเชื่องเสื่องซึมซึมไม่สนใจแต่ข้างในเนี่โหเดือดปุดปดเไม่เห็นล่ะ ทำท่าโอ้อยทำท่าเ่ยๆทำท่านิ้มๆทำหน้าเงียบๆแต่ข้างในอยากจะฆ่าก็าตาย <laughs> มันไม่ใช่เป็นจริงๆแต่ถ้าเป็นจริงๆนะมันจะฆ้าก็ด่ามามันก็ยังธรรมาดาก็าชมมามก็ยังธรรมาดาเพมเข้าใจอ่ะเข้าใจจะไปเอาจะไปถึอสากับภาวะพวกนี้มันทําไมเพราะภาวะพวกนี้มันเหมือนกันถ้าเรามองมุมชัดๆเนี่ยเห็นมุมต่างกันเห็นมุมเหมือนกัน แล้วมันจะเข้าใจว่าอ้จะไปยุ่งมันทําไมมันก็เหมือนกันนั่นแหละใจมันก็เลยหยุดพฤติกรรมจิตจะดิ้นรนไงแต่ถ้าใจยังมองมุมต่างกันนะตัญหาจะมันจะมันจะเอาแล่ะเพราะว่าในมุมต่างกันเช่นรูปเสียงเกลื่นรสสัมผัสและอารมณ์ในรูปใช่ในทางที่มันดีๆีอ่ะดีๆีอ่ะในทางดีดีเราก็จะพยายามสร้างมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมารักษา ตาเกียรตตากายเนี่ยทุกวันเนี่ยที่ทุกคนไปสังเกตไหมเขาไปเที่ยวนุกนเที่ยวนี่เที่ยวนั่นเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยเขาไปเห็นอะไรเอา้าอยู่ที่บ้านเราไม่พอเอายอมเคยไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมเอาเอาอ่าลงไปดูปุ๊บเขาจะไปเห็นอะไรไปต่างประเทศอ่ะเขาจะเห็นเหมือนเราอยู่ที่นี่ไหม ก็จะไปเห็นรูปเห็นเสียงเห็นกลิ่นเห็นรสเห็นสัมผัสเหมือนกับเราด้วแหละเพราะมันตาเดียวกันน่ะหูเดียวกันน่ะจมูกเดียวกันน่ะลิ้นเดียวกันน่ะกายเดียวกันแล้วก็ใจเดียวกันน่ะฉะนั้นบนโลกทั้งโลกเนี่ยนะมันเปแค่นี้แหละไม่มีอะไรพิเศษเหรอกไม่ใช่มีไปต่างประเทศแล้วเออรูปมันก็รูปก็คือสีอ่ะมันจะสวยยังไงมันก็คือสีอ่ะเสียงจะเพราะยังไงก็คือเสียงน่ะ กลิ่นจะดีก็คือกลิ่นเนี่ยมันหอมมันเหมือนเหมือนเดิมแหละไม่ต่างกันหรอกลิ้นก็ได้รับรสเหมือนกันเนะี่รสหวานรสอร่อยไม่อร่อยเหมือนกันหมดกายก็ยังสัมผัสหนาวะบางทีนะน่อยู่ประเทศไทยไม่มีหิมะก็ไปหาหิมะเล่นให้มันหนาวเละเล็ทั้งนั้นเห็นแล้วเอเออย่นแล้วก็มันก็นั่งหัวเราะคนเนี่ยมันไปมันนึกว่าจะไปทำให้มันดีกว่าเกา่าออกอยากออกจากที่เกา่า แล้วก็คิดว่าไปหาที่ใหม่ๆจะได้เจอใหม่ๆแล้วมันใหม่ไหมล่ะย้อนกลัไปมันใหม่ไห ม, มก็เหมือนเดิมแหละฉีนั้นถ้าไปทําอย่างนี้อยู่เนี่ยมันยังทําเงินเก็บเงินเก็บเงินเงินผู้ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เพื่อหาประสบการณ์ชีวิตแล้วประสบการณ์ชีวิตมันมีอะไรรู้ไหมก็ประสบการณ์ทางตาหูจมูกลิ้นใจใจเหมือนเดิมประสบการณ์ทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทั้งรสเหมือนเดิมแล้วก็เป็นความคิดขึ้นมาเหมือนเดิมอีกไม่เป็นไร ไปคิดโลภ ค, คิดโกรธคิดหลงเพิ่มขึ้นอีกไม่เห็นอะไรก็โลภโลภว่าอยากโอ้ป้า น, นุมก็ทําดีอะไรดีก็อยากอีกฉะันเราต้องรู้จักว่าอ๋อเพื่อนจ๊ะเลยว่ารู้รู้แค่เนี้ยรู้ทั้งโลกไงรู้ง่ายๆรู้แบบเนี้ยรู้ทั้งโลกเพราะเรื่องของโลกมันมีแค่นี้ทุกมุมไหนบนโลกมันมีแค่เนี้ยไม่มีอะไรพิเศษกว่า น, นี้ละไม่มีแค่นี้มียังไงมันเกิดแล้วก็หาย นี่แค่นี้แหละความรู้จริงๆย่าไม่ใช่เป็นความรู้อะไรดูสภาวะการเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเรื่อยๆแต่อย่าไปใช้กระบวนการคิดนะถ้ากระบวนการคิดกระบวนการฟังกระบวนการคิดเนี่ยมันมันใช้ไม่ได้ถ้าใช้ได้นะตอนนี้เราไม่ต้องมานั่งยกมือแล้วใช่ไหม ดูนะถ้าเราค oh, like ิดได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลร่นดับไปเป็นธรรมดาแล้วใจเราเอาอยู่เหมือนเดิมอะกระบวนการคิดมันจริงจริงใช้ไม่ได้แต่กระบวนการฝึกรู้อาการตรงๆต่อหน้าเนี่ยตรงเนี้ยเพราะอาการที่รู้ตรงๆต่อหน้าในปัจจุบันเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแล้วรู้ไปตรงๆงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นความจริงที่ให้จิตได้เรียนรู้ตลอดฉะนั้นเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊ อย่าไปไวุ่นวายมันแล้วก็อย่าไปรักษามันดูมันเฉยๆแล้วมันจะบอกเราหมดเลยบอกเราทุกเรื่องเลยแหละไม่ไม่ไม่ต้องหว่วงคําตอบมันอยู่ที่ตัวมันน่นหละเหมือนเรานั่งดูละครนนะ่ะแล้วก็จะรู้เรื่องของละครทั้งหมดเอ๋อมันนี่มันสแสดงอย่างนี้นะแล้วก็ไปอย่างนี้นะแล้วก็เป็นอย่างนี้นะแล้วก็เข้าโรงนะแค่นั้นเองจบ นี่คือตัวตัวที่เราจะฝึกลดความอยากเนี่ยพอเราเห็นเห็นชีวิตเห็นสภาวะปัจจุบันที่มันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยดูเถอะพอเห็นไปมากเข้ามากเข้าพวกเนี่ยมันจะไปเห็นอารมณ์อ้อยากเกิดแล้วก็อยากก็ดับไม่เห็นจะต้องไปวุ่นวายอะไรกับความอยากเลยเนี่ยเหมือนอยากเมื่อความอยากเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้นะเราไม่ฝึกรู้นะไม่ฝึกรู้ฝึกดูรู้ฝึกรู้สึกขึ้นมานะมันก็จะวิ่งไปตามตามความอยาก วิ่งไปตามความอยากชั้งมาคนหนึ่งอยากแล้ววิ่งตามความอยากแล้วความอยากนั้นอยู่หรือหายมันอยู่หรือมันหายหายใช่ไหมที่อีกคนหนึ่งกันมีความอยากแต่ไม่วิ่งตามความอยากไม่ทําตามความอยากแล้วความอยากนั้นมันอยู่หรื showers? อมันหายแล้วคนไหนสบายนนคนนิ่งๆสบายที่สุดเลย ไอคนที่วิ่งวิ่งเนี่ยวุ่นที่สุดเลยนี่แหละแล้วเราเป็นประเภทไหนประเภทนิ่งหรือประเภทวิ่งอ่าถ้าไม่ทําตรงนี้ก็จะวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปแล้วิ่งมันเกิดอะไรขึ้นมาก็วุ่นตอนนั้นแหะวุ่นคนโน้นวุ่นคนนี้วุ่นคนนั้นแต่โลกนี้มันวุ่นเพราะไอคนวุ่นเพราะตรงนี้แหละมันวุ่นเมันคิดว่าจะไปทำอะไรนั้นเห็มันดีเห็นมันดีเลยวุ่น เหมือนกันเนี่ยในภาวะของการชอบใจเราชอบใจแล้วทำตามความชอบใจที่เราว่าเราได้ทำตามความชอบใจแล้วความชอบใจนั้นก็จะสลายตัวไปใช่ไหมแต่ถ้ า, ามันชอบใจแต่มันไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำไม่มีเหตุจำเป็นที่ต้องทำไม่เป็นถึงขนาดว่าเ อ, อเร่างกายหรือเราต้องใช้ต้องอะไรมันปุ๊เรามีความชอบใจอยู่ก็ดูตรวจสอบดูเออมไม่จำเป็นนะเราไม่ต้องทา แต่ความชอบใจนั้นก็สลายตัวเราก็สบายแต่ถ้าชอบชอบใจแล้วมันมีสติสมาธิพยญญาเก็ตรวจสอบว่าไอสิ่งที่มันชอบเนี่ยไอสิ่งที่มันชอบเนี่ยมันสมควรไหมมันมีประโยชน์กับชีวิตไหมถ้ามีประโยชน์ต่อชีวิตมันสมควรปุ๊บมันไม่ได้ทําตามชอบใจแล้วทําตามเหตุปัจจัยมันจะขดขละอันกันนะระหว่างทําตามชอบใจกับทาตามเหตุปัจจัยเนี่ย พอชอบใจนี่มันไม่ได้คิดถึงเหตุปัจจัยหรอกมันเอาก่อนพาทําตามชอบใจเนี่ยมันไม่ได้คิดว่าเหมือนเราไปซื้อของจะเห็นได้ชัดซื้อซื้อซื้อซื้อมาอ้าวเดี๋ยไปทําอะไรเนีอยนี่เห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าชอบใจแล้วทําตามเหตุปัจจัยเนี่ยมันจะดูว่าเออนี่สมควรซื้อก็ซื้อไม่ได้ซื้อด้วยความชอบสมควรทําก็จะทำไม่ได้ทําด้วยความชอบทำด้วยความเข้าใจมันคนละอันกันนิดเดียวทำไมเข้าใจแล้ว นั้นถ้าเรามันชอบใจแล้วเราไม่เดี๋ยวทำตามตามที่ชอบใจมันก็หายจนตาตรงกันข้ามไม่ชอบใจก็เหมือนกันเดีวไม่ทําตามมันมันก็หายนี่คืออันหนึ่งให้รู้จักเวลาเราเรียนรู้น่ะฝึกรู้สึกขณะเดียวรู้สั้นๆในขณะเดียวแล้วเห็นสภาวะเนี่ยที่มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับของมันเองเนี่ยเดี๋ยวเนี้เอาเดี๋ยวนี้เป็นหลักเนี่นะเนี่ย มันจะช่วยทําให้เราลดตัณหาเพราะตัณหารอดอุ ป, อปทานเนี่ยอุปทานเนี่ยถ้าเราสังเกต ด, ดูดีๆถ้ามันเห็นแบบเนี้ยมันจะมีอุปทานไหมไม่มีอ่ะเอามาแล้วมันก็หายจะไปทําอะไรกับมันอีกอุปทานมันก็จะลดไปลดไปเองเหมือนแต่นี่เราอะไรเวลาเราภาวนาเราไม่เอาอย่างนี้กันนี่จะเอาให้ได้อารมณ์ดีๆใช่ไหม จะให้ไดอารมณ์ดีๆใช่ไหมแล้วอารมณ์ดีๆของเรา่คืออะไรก็ไม่รู้อารมณ์ดีๆเราคือความสงบอารมณ์ดีๆของเราคือความโล่งโปร่งสบายอารมณ์ดีๆของเราคืออะไรก็เรื่องที่เราคิดว่ามันคือความสุขก็แหละใช่ป่ะแล้วมันแล้วมันทําแล้วมันตรงกับที่นั้นไหมผลสุดท้ายมันก็เลยผิดมันตั้งใจทําเพื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองคาดหวังว่ามันจะดีกว่าที่เป็นอยู่ แลที่เป็นอยู่บันทีอยู่แล้วมันก็เลยไปสร้างเรื่องขึ้นมาอ่าอันนี้คือคือวิธีการสังเกตตัณหานะแล้ววิธีการที่จะทำลายตัณหาคือเห็นตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเห็นการเกิดการหายของสภาวะขณะเดียวขณะเดียวที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสนี่แหละเราจะเห็นบางครั้งมากระทบปุ๊บมันชิด วันไปเดินเดินอยู่ที่ริมบ่อน้ำนะปิดไฟเดินเดินเดินก็ฟังเสียงฟังเสียงรถมั่งเสียงปลามันเขาเรียกเสียงปลามันเออมันฮุบอ่ะภาสาอังกฤษเขาเรียกอะไรปลามันบ่อนปลามันฮุบอะไรเสียงปลามันฮุบมั่งอะไรมะ่งสักพักหนึ่งเดินไปเดินไปมีเสียงแปลกๆกี้กี้กี้ก้หไป นี่เสียงหีเหรเสนะียงจิจิจิหายไปพอได้ยินเสียงปั๊บเนี่ยนะมันคิดขึ้นมาเลยงู <c oughs> มันบอกขึ้นมาเลย <c oughs> งูเนยเราเห็นเลยว่าเสียงนั้นดับไปแล้วแล้วเรารู้ว่าเสียงนั้นดับไปแล้วแล้วมันก็จะมีคิดต่องู <c oughs> มันก็ช่วยไยฉายขึ้นมาทันทีเลยฉายดู <c oughs> ดูสิ ไม่เห็นมันแล้วไอ้นั่นมันดับไปแล้วนะมันคิดต่อว่าเป็นอย่างนี้งงทั้งหูกัดเราเราเป็นยังไงเราเราอยู่นี่เดี๋ยวเกิดตายเท่ายัางไงอะไรออกไปใหญ่โตใช่นั่งดูงมั น, นอ่ะซร้างเดี๋ยวก็หายไปพอเรารู้ทันว่าหายไปแล้วอายไปล ะ, ปละโดดไปแล้วทําไปทำมาฉะนั้นในภาวะของของการเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาปุ๊บสัมผัสที่ฝ่ า, ทาเท้าไปเหยียบนิ่มๆเอาแล้ว <laughs> เฮเดี๋ยวนี้นี่กกระโดดเลยเนี่ยชักเท้าบุกมายังไม่ทันรู้อะไรแต่มันมันเป็นสัญญาณเนี่ยชักเท้าบุกมากูอ่ะมันก็บอกว่างูนะพอมาอยู่เนี่ยแบบคือบรรยากาศเป็นแบบนั้นน่ะแล้วมันก็คิดเรื่องนั้นน่ะมันจะเห็นว่าบรรยากาศอยู่แบบนี้นะเมื่อไหร่เราเข้าไปป่าช้าบรรยากาศจะคิดเรื่องอะไรเออเหมือนกันแหละบรรยากาศแบบนั้นก็จะคิดอย่างนั้นแหละเราดูดูม หยีบนิ่มๆปุ๊บชักเท้าบุกขึ้นมาปุ๊บลงกระชายมาดูอ้าวไม่ใช่นี่ว่าท่าักมันก็คิดทันทีมันเร็วมากเลยนะฉะนั้นในแต่ละวันที่เรานั่งเราดูมันเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นพฤติกรรมก็้มาว่ามันกระทบแล้วมันทำยังไงกระทบแล้วมันทำยังไงกระทบแล้วมันเฉยไปยังไงกระทบแล้วมันเปล่งไปยังไงกระทบแล้วมันอยากไปยังไงแล้วถามว่าพวกนี้มันก็จะดับไปต่อหน้าต่อหน้าเนี่ยมันชี้เรียนรู้ยากเลยนะ